اء, หรือว่าพวกเขามีหุ้นส่วนกับอัลลอก็จงให้พวกเขานำหุ้นส่วนของพวกเขามาหาพวกเขาบดจร์จึงวันที่หน้าแข้งจะถูกเปิด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 เรียกให้มากราบแล้วขณะที่พวกเขาอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยดังนั้นจงปล่อยให้ข้าจัดการเถิดสำหรับผู้ปฏเิเสธต่อคำมภีร์อัลกุรอานเราจะนำพวกเขาสู่การลงโทษทีละขั้นโดยที่พวกเขาไม่รู้วออมลุิน และค้าจะประวิงเวลาให้แก่พวกเขาแท้จริงอุบายของข้านั้นแข็งแรงนะ م م م م หรือว่าเจ้าได้ขอค่าตอบแทนจากพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงแบกภาระหนักเพราะมีนี่สิน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 หากไม่ใช่พระความเมตตาจากพระผู้พิบาลของพวกเขามีมายัางเขาแล้วเขาคงถูกเวียงไปยังที่โล่งเตียนและเขาจะถูกตำหนิด้วยแต่พระผู้ภิบาลของเขาทรงทัดนเลือกเขา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 แท้จริงเขาเป็นคนบ้าแน่ๆแต่อัลกุรอานนั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นข้อตักเตือนแก่ประชาชาติในสากลโลก